ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่8เดือนตุลาคมปสองศวรรหห้าสธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเรื่องการวางใจในความเจ็บปวดเ น, นี่ยอันนี้ก็สำคัญนะการวางใจใน ความเจ็บปวดเพื่อจะได้ทำให้ความเจ็บปวดนี่มันลดน้อยลงแต่ที่จริงความเจ็บปวดเนี่ยมันก็คงจะเจ็บปวดไปตามเรื่องราวของร่างกายแต่ว่ามันจะไม่ปวดมากแต่นันจิตใจบางทีมันก็หายไปจากจิตใจของเราเลยปล่อยความเจ็บปวดไว้กับ ร่างกายนี่เราก็ต้องมีเป็นหลักการหน่อยเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรามันก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้หรอกมันมีทุกคนแหละนหนักบ้างเบาบ้างเราก็ต้องรู้จักที่จะวางใจให้ถูกจ้อง อัับแรกนี่ก็คือเราต้องรู้จักยอมรับความจริงยอมรับในความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแล้วกับร่างกายเราอันนี้พูดถึงดูแลจิตใจนะแต่ว่าร่างกายเรานก็ต้องเจ็บปวดอย่างนั้นแหละต้องยอมรับใจเราต้องรู้จักยอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อป่วยไข้ถึงมามันก็ต้องมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาเราต้องรู้จักยอมรับให้ได้ถ้ายอมรับได้เนี่ยความเจ็บปวดมันจะทุเลาลงถ้าเรายอมรับได้แล้วเราก็คือจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการรักษายอมรับไม่ใช่ยอมแพ้หรือปล่อยให้มันเจ็บปวดอย่างนั้นเราต้องรู้จักรักษาความเจ็บปวด จะไปหาหมอจะทานยาจะทำวิธีการยังไงก็ตามให้ร่างกามันเจ็บปวดน้อยลงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ได้ใจยอมรับแล้วเราก็ต้องทำการรักษาด้วยช่วยเหลือร่างกายด้วยแล้วการรักษาเนี่ยบางทีมันก็ทุเลาลงบางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายบางทีก็ไม่ทุเลาลง นี่ต้องมาถึงข้อดีสารนี่ก็คือต้องรู้จักปล่อยวางละ่ะผลการรักษามันออกมาไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดมันเป็นไปในสิ่งที่มันจะเป็นเราต้องรู้จักปล่อยวางเจ็บปวดมากแล้วมันต้องจะปล่อยวางมันซึ่งเราไม่สมามารถเจริญอีกเลียงได้ ต้องกล้าไปเจญหน้าแล้วก็จะปล่อยวางที่จริงเนี่ยการยอมรับความจริงก็ดีการปล่อยวางก็ดีเนี่ยมันพูดง่ายแต่เวลาทําจริงเนี่ยมันทำยากไหนก็ยอมรับว่าถูกต้องสิ่งเหล่านี้พูดง่ายแต่ทำยาก แต่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็จะลดละเรื่องทุกเวทนาทางกายที่จะมากอกินในทางจิตเราเนี่ยลดร้อยลงไปได้ให้เรารู้จักวางใจไว้ว่าคือเราต้องมีเดิมพันธ์นะเดิมพันธ์ในชีวิตของเราถ้าจะวางใจเรื่องเรื่องของการปล่อยวางเนะี่ยซึ่งมันยากมาก แต่เราต้องรู้จักวิธีคิดวิธีวางใจเนี่ยเป็นเดิมพันของชีวิตเราในเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยถ้าเราทำได้ปล่อยวางได้ยอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ ยอมรับไม่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์อ่ะคือเดิมพันนเราก็มีสองอย่างทุกข์กับไม่ทุกข์เราจะเลือกกันไหนถ้าจะเลือกไม่ทุกข์ก็ต้องต้องฝึกที่ปล่อยวางให้ได้ถ้ า, าอยากจะมีความทุกข์ก็ยึด ม, มั่นถึงมั่นต่อไปเรื่อยๆเราก็จะทุกข์มากขึสิ่งหเหล่านี้ยมันช่วยผ่อนคลายและด้านจิตใจ แต่ว่ามันก็ทํายากอาแต่ก็ไม่เป็นไรแนละ้วเราไปวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกคือธรรมะเนี่ยเขาจะสอนเรื่องง่ายไปหาง่าย <c oughs> ไม่ยิงง่ายไปหายากเอาเรื่องง่ายไปหาง่ายเลยนี่เป็นอุบายอุบายในการลดละความเจ็บปวดในร่างกาย เช่นเวลาเรารู้สึกเจ็บปวดหรือหมอกำลังทำอะไรเราอยู่เนี่ยมันต้องรู้สึกเจ็บหละท่านมีการกระทําของคุณหมอหรือโรคปลายไข้เจ็บที่มันรุมเร้าร่างกายเราเราก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนคลายโดยการยอจิตไปจดจอ่อยอจิตไว้เกาะ ไปกอดอยู่ที่ความเจ็บปวดของร่างกายเราต้องรู้จักรักษาจิตเราคือพูดง่ายคืออย่าไปสนใจเลยความเจ็บปวดมันก็เจ็บปวดอย่างนั้นคุณหมอจะทำอะไรกับร่างกายเราก็ท่านก็ต้องทำอะ่ะเมื่อเราสมัครใจที่ท่านดูแลรักษาเราแล้วเราก็จิตไปจับไปที่อื่น เอาจิตไปสนใจทางอื่นซะอย่ามาสนใจความเจ็บปวดเช่นว่าเราปวดฟันเดีย๋ยวคุณหมอกำลังถอนฟันเราก็อย่าไปสนใจกับฟันของเราไปนสนใจสิ่งภายนอกเลยเลื่นไปเล ย, ยาวางปล่อยวางเรื่องความเจ็บปวดเรื่องของฟันไรื่องนี้ก่อน เราก็มองอไปที่อื่นมองต้นไม้มองนกไปสนใจทางอื่นซะจิตมันจะไ ม, ไม่ไม่มาจับอารมณ์ความเจ็บปวดแต่จิตจะไปจับอารมณ์ข้างนอกซึ่งมันสบายกว่า น, นี่เป็นการรักษาจิตให้มันผ่อนคลายเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ทีละอารมณ์ จะรับพร้อมกันสองอารมณ์เนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาตินี่คือต้องรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์อื่นก็จะไม่รู้สึกหรือจะไม่สนใจไปเลยเราเป็นสนใจสิ่งภายนอกดูต้นไม้ดูนกมันก็จะลืมความเจ็บปวดไปไม่ยังกับอะไรถ้าเรามีความโกรธเีย่ยจิตรับลมความโกรธ หละนั้นจิตก็ยังไม่ไม่มีความเมตตาเมื่อจิตมีความเมตตาความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่นั้นมันดับไปแล้วความโกรธดับเมตตาเกิดหรือเมตตาดับความโกรธเกิดสลับกันอย่างนี้แหละรับได้ทีละอารมณ์เพราะนัเราต้องฉลาดรักษาจิตเราแม่มันเจ็บปวดไปกับร่างกายโดยไปสนใจไปจับอารมณ์อื่นซะ มันช่วยผ่อนช่วยคลายบางทีเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยนะถ้าเราสามารถปล่อยวางมันได้จริงๆอันนี้เป็นการฝึกการปล่อยวางเลยโดยการที่ไปจับอารมณ์อื่นอันนี้เป็นอุบายที่จะลดละความเจ็บปวดทางร่างกายที่มันเกิดขึ้นกับทางด้านจินตใจอันนี้มันก็ต้องฝึกเอาไว้นะฝึกวิธีที่ง่ายๆที่สุ เราก็อย่าลืมนะเราต้องรู้จักที่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็รู้จักปล่อยวางบ้างไม่งั้นเราก็จะเป็นทุกข์เบื่อเกิดความเจ็บปวดเแล้วก็ทุกทุกทีเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางฝึกปล่อยวางแบบง่ายกคือไปสนใจกับสิ่งอื่นซะอยากลับมันสนใจกับไอ้ความเจ็บปวดนั้น แล้วก็ความเจ็บปวดก็จะทุเลาลงไปอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่น